ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาลแทนพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่สิบสี่สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบสี่ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกัมม์กมัมมบทสิบกัสิบห้าควบกันเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน ข้อที่สข้อที่ตอนที่สี่นี้ขอพูดเรื่ข้อที่สองของสีน่นกักรรมบทสิบการมบท10บก็เป็นข้อที่สองชิ้นหก็เป็นข้อที่สองที่นี้กล่าวว่าทินนาธานาเวรมณีที่แปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นจากการถื่อนทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบธรรม แล้วก่อนที่อาจารย์ทธิบายบรรดาเต้นพุทธบริษัททหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคําว่านารกมีจริงบรรดาเต้นพุทธบริษัทชายหญิงพระพก็ได้เจ้าทรงยืนยันมาธรรมาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยูน่นี่ต้องตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปเมื่อตอสมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟื้นหลังจากนั้นเขาไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพนโทส ม, มานวิระวัธยะถ้าก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นไ ด, ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทเท่งกลับฟืน้นเขากลับมาส่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นการเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ จึงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกสินทาเลยไม่มีตีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาติโลกเกอนิทิโตคนไม่ถูกทินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกนินทา อาจจะมาเป็นสาวกกลุ่นจิ๋วของพระองค์ทาไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คำนินทาคำติเติงก็เกิดโลกเต็มโลกไปหมดเป็นหนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไหรก่ก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนีน่ยใครเขาสรรเสริญยังไงก็าตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ จะได้นคำนินทาและสันเสริญทั้งสองอราการในบรรดาท่านพุทธบริษตท์องค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเสิกิตดดูหน่อยก็เราร้อนบางท่านก็ดี พอถูกย้อนเขานิดกลายเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนัไม่ใช่อาตมาทําให้ท่านเป็นพระอาหารหันเะนีท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่าร้ายอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านและขอสรรเสริญในความดีของท่านตอเราทําอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็าต้องบอกว่าลองทําดู เห็นด้านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้าในทีก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอกตัญอยู่ไม่รู้คนๆของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา การนินทานและสนเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแก่ขนาดนี้แล้วยังไงๆก็ต้องตายเพร่ะฉะนั้นเมื่อเราจะตายบรรดาแต่พุทธวัิสันไหลหากำแพงมากั้นเอาบายภูไม่ก่อนดีกว่าเพื่อยึดพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือท่าน ถ้าเพราะคารวดเอาสินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อวัยภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระประมาสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจราหนบรรดาท่านผู้บริสัท์ฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก็อนหนึ่งอย่าลืมความตาย รายการในสองยอมรับทักถือพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการในสามสงศินห้บริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็สรงไว้จนกว่าจะตายตายเมื่อไรไปสวรรค์ไปพรมนั้นดีไม่ดีก็ปันิพานตอนนี้ก็มาคุยกันทึงเรื่องสิ่งและกำหนดสิบข้อที่สองท่านบอกว่า จงยุดเว้นจากการลักขโมยจะยื้อแย่งหรือคดโกงหรือทรัพย์ในทรัพย์สินขล้วบอกคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพระตุภิษัทถ์ท่วว่ากันในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีคําว่าสัตว์หมายถึงสัตว์อิริชนก็ยังรับรักทรัพย์สินของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขเป็กินอาหารถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยถ้าขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงไงก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นจากสิง่งก็เว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ยื้อแย่งไม่คุกกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สินเขาบอกคนอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าคนที่จะรักษาสิงข้อนี้หรือกมบุตรข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อดีสองนี่ก็มีเมตตาความรัก กุณานยความสงสารเป็นธรรมะเข้าไปจับใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบทรเพรมะว่ทรัพย์สินของคนอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทมตามที่ความสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคนทั้งโลกรักษาสิ่งข้อนี้ไว้ได้โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสะเก็ด คำว่าเศรษฐกิจตงสะเก็ดทุกคนกระวนกันแยมแย่พอค้าแม่ค้ากระวนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ที่กับร้ายหนักขา้นอีกทำนาข้าวก็เสียทำไร่พืชไร่ก็เสียถ้าถ้าแถมต่อไปภาษีก็ขึ้นราคาสําหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่อง เพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทบริษัทท่านแย่พ ร, ระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงค์นว่าถ้าชาวบ้านเขาจนพระก็หมายก็ตายก่อนไปถามท่านเข้าถามทําไมไปอย่างนั้นขอรับหลวพ่อ ท่านบอกว่าในเมื่อชาบ้าน้ขากินไม่อิ่มจะเอาข้าวที่ไหนมาใส่บาตรจะเอาข้าวที่ไหนไปให้หมาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาทสาใหญ่การเรือนจําไม่ต้องมีทั้งหมดการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มี เวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่รัประเทศต่างคนต่างรบกันใครในประเทศบางรายออกมรบนอกประเทศก็มีที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลกเป็นสาคัญ อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคอื่นมาเป็นข้อตนเป็นสำคัญยิงทำอย่างนั้นในการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบี้ยเลี้ยงใช้อุปกรณ์การต่างๆกระสุนต่ระนัดบรรดาท่พุทธไวใส่กระสุนปืนนะต่ระนัดราคาเท่าไหร่ลูกดะเบิดแต่ละลูกราคาเท่าไหร่ ชีวิตของคนแต่และคนราคาเท่าไรรวงความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบคนลอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึ่งเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขโมยกันไม่มีการต้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้นเอา ง, ง่ายๆว่าถ้าขโมยไม่มี ถ้าขมมยไม่มีนี่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านน้อยลงไปมากเราการแรกบ้านไม่ต้องทําแข็งแรงไม่คงนะแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอเราการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจประตูก็ไม่ต้องทําแข็งแรงกุญแจแต่ละดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่ละดอกที่ทํามันได้ต้องใช้เงิน บ้านแจะหลังที่ทำแข็งแรงเพิ่มเงินเข้าไปมากแล้วก็อาวุธยุทธภรายการต่างๆก็ปรปกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับสบายคนก็มีประสาทดีมีรารมินความสุขอารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจาเยือกเย็นปัญญาก็เกิดใจเย็นเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากันตามสินข้อที่หนึ่ง ไม่ฆ่ากันไม่ปะทฒสรายกันไม่ลักไม่ต้องระวัะวังของไม่มีการลักไม่มีการขมโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีลมใจเป็นสุขถ้าถามว่าใจรวยได้ยังไงก็ลองคิดดูถ้ามีการลักมีการขมโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้าซับตระวางทรัพับประสายก็มือนร่างกายก็เพีย ไห้ร่างกายเพลินไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สิน ก, ก็น้อยลงการคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอาการง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลวกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้ใจ่ายลดลงไปเท่าไหร่สมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีคุณแจ ลูกกุญแจดอกหนึ่งเวลานี้สิบบาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าคุณลูกกุญแจดอกละสิบบาทเวลานี้มีคนห้าสิบสองล้านคนถ้าคิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกสิบดอกละสิบบาทสิบล้านหลังนี้ข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายปเปล่า แล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้ควบคุมงบประมาณผู้รักษาการสารต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมากมีความสุขมากรัฐบาลก็มีความเยอกเย็นใจมีรัฐบาลก็ได้ไม่มีรัฐบาลก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกัน เราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสินการเป็นท่อยร้ความสู้วดีในโรงศาลนั่นมันหมายถึงความบนไลัยแห่งทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองสีเวลาการงานใก็ดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็ใหญ่ ถ้าชนะได้มาก็เป็นคุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาแห่งพุทธบริษัทรวมความวาสิงข้อสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่ว่าเราสามารถรักษาสิงข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเรา เขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกุณนาคความสงสารอารมณ์ใจแล้วก็ชุนชื่นใจดีไม่ได้ความสันโดจินดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินก็เป็นคนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทำไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเกี่ยวของบ้านก็มีความสุข แทกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขาหาการทรัพย์สินก็ไม่เปลืองนนี่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ท่าน บ, บอกว่าสีเลนะสุขติยญาติบุคคลที่ทรงสินไดจ้จะมีความสุขสีเลนะโพกัมสมธาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งกันและกัน ไม่ทุสไลซึ่งอะไรการทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยงความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บุคคลทุกคนไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้ไม่แต่ในธนาคารเขายังปล้นเลยนั่นมาปล้นกระ ท, ท, ท, ทั้งบ้านธนาคารทั้งธนาคารขโมยของบ้านผู้กู้กษาขโมยของบ้านนายตำรวจ ชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตําหนิทาเรการนะไม่ใช่ตำตำหนิต้องรัฐบาลไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกําลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความมิปริคคิดว่าได้ทรัพย์สมบัติเขา้ามาคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่รักขโมยเขากิ่งก็ไม่มีความสุข ต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแทนพุทธบริษัทหาความสุขไม่ได้เกรงว่าจำเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของก็จะจำได้บ้างเจ้าของขจะรู้ตัวบ้งางยนนั่งนอนจะนนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่แปลการที่ไม่มีความสุขเลยการละเมิดสิน ถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่หนอยสะดุง้งไม่จะเกรงใครเขามาจับมากลุมกรวมความแล้วว่าถ้าปฏิบัติสิงข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่ก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะกมโมยลักไม่เสียเพราะกมลอยปล้นไม่เสียเพราะการถูกโก ไม่เสียไปผู้ถูกการยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอืน่นก็น้อยเต็มทีการจะกินจะใช้เนี่ยมาเรื่องเล็กๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พวรักพวกโมยเต็มเรามีน้อยแกก็รักหมดเรามีมากแกก็รักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมด ดีไม่ดีแกโกงเลยหมดหกปล้นจี้บางทีก็ปล้นจี้เลยหมดหมดตัวแล้วยาตัวไปเป็นไปเป็นการเอาค่าถ่ายนั่หมายความว่าถ้ามีที่ดินที่ทรายอยู่พื้นที่จะเอสังหาร้มทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนําจำจองแล้วขายรียบเอาเงินไปถ่ายคก้พื้นโก้คนที่ถูกจับไปจะตาย นี่ความเล่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนเคารพสิ่งข้อนี้ก็มีแต่ความสุขหรือว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมปรายาภพบรรดาท่านพุทธบริสัทถ้าตายไปแล้วในโลกหน้าคนที่ทรงสิงข้อนี้จะมีอาการเป็นยังไงก็บ้าว่ากันถิงกําลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจิตของเรามีเมตตาความรักปรนนความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นะหนังสือต้องเขียนไว้ว่ายินดีเพราะทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปณในเมื่อท่านนั่งก่อนจะตายกําลังใจเป็นสุขก็หนึ่งไม่ตายความรักสงกณาความสงสาร สามชั้นโดดจินดีเพราะทรัพย์สินเดื้อหามาได้โดยชอบธรรมก็ไม่มีลมสะดุดใจกับใครที่ใจก็ชุ่มชื้นถ้าทรงความดีสามรายการนี้ได้และเว้นยาการณก็เก้อเว้นแน่เวยาการณ์เมิดสิ่งข้อสามแน่คนธรรมประเภท น, นี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายแล้วในชาตินี้ ถ้าต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมนรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่เด็กเค้นลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเ็าต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาด้วยผมากาลังใจอ่อนก็เป็นเรวดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปเป็นผม ต่อมาทั้งหมดวุฒิวัฒนธรรมีจาการเป็นเทวดาแลกขผมไปไหนลงมาปับก็ยับยังอยู่แค่มนุษย์สโลกก่อนพอมาถึงมนุษย์สโลกความดีสรรามรายการก็ตามมาด้วยความดีสรรามรายการคือเมตตาความรักกุศาความสงสารสันโดดยินดีเพราะสักถิงก็ตนหาได้โดยชอบธรรม ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งไม่ตายความรักกรุณาความสงสารทำให้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วถ้าทีาจะไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างนี้ก็พูด ก, ก็ว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการ ม, มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนี่ระบรรดาแทพุทุดรษัตว์เพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารท่าสอด้วยการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจะตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนละหลายแล้วทรัพย์สินเย็นเป็นสุขว่าทรัพย์สินของท่านผู้ น, นั้นโยเย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนละหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสิบประการ 1. ทรัพย์สินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาผลาญ ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ทางด้านตลาดหลวท่านอะไรบาง ท, บทับสกมัสกแกวันสกแกร์แหละมั้งหลงสกสแกสะแกร์ธมาก็จำไม่ถนัดท่านมาพูดเสียตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่งบ้านของท่านเป็นหลังที่สอง ไฟไม่ยอมไหม้เปลวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามขณะที่อยู่ติติกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่เลยบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านที่รักษาสิ่ครบอบทรงสิ่งข้อที่สองได้หรือ <c oughs> การบทสืบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่านโดยการที่สอง น้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเราการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเราการที่สี่โจรขโ ม, มยมองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะรักไม่อยากจะขโ ม, มยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแก่สิง่งข้อดีสารที่ท่านทรงไม่ได้ ที่พระพุทธเจ้ากลาวว่าศีลเณโพกสัมปทาและท่านที่ทรงสิ้นข้อที่สองราย ก, การนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านอย่าพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายที่ไม่ไม่เสียหายไม่เหตุสามเป็นสี่ไปกันแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามปีมีการทํามาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายเจ้าใครก็าขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กำไรน้อยหรือกำไรมากยังไงยังไงก็มีกำไรกันแน่จะทำพืชไร่ต่างๆแล้ททำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมารู้จักมาก น, นาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกชื่อของท่านมาแต่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจยอยู่มากขึ้นจะซักขึ้นจะมาซักสิสงเขาไขในชาตินี้นะทซั์สิสงเขาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องกายโคกันโกมีอย่างเดียวให้ใครขัดข้อขึ้นมาถ้าไม่เกินวินสัยยืมให้ยื ม, ยมโก้ให้โก้ กูก็ดอกเวียก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทำงานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสยัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้งก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยจากน้าช่วยต้มถือแกงทำงานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทำไร บางปีชาว บ, บ้าในใกล้เคียงและทั้งบริเวณทั้งตำบลและหลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับเยินข้าวไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งผักไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งสัตว์เพี้ยกินหมดแต่ว่า น, นี้ก็ต้องมีกำไรปีนั้นก็หลายหมืน่นย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชาวเราสิบตังค์หรือห้าตางค์ เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกําไรสองสามหมืนบาทถ้าเขาได้กันบ้านนี้มีกําไรเป็นแสนนี่ผลของการทรงสิ่งข้อนี้บรรดาธิภูตบริษัท ใ, ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงฉะนั้นขอบรรดาธิภูตบริษัททั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งความดีซึ่งเป็นสาวกคุโองค์สมเด็จปจิณณ์สีต้องการนนรก ทุกคนก็พยายามทรงสิงข้อที่สองอีกตัวอีกข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ปลดปล o n ซื่งไม่เกินวิสัยมองดูเวลานิบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสแล้วพู้ต่อไปก็ไม่ได้ขอยุติวตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแด บ, บรนดาทั้งพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี